ขมูลข่าวสารการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการในจังหวัดนครพนมในรายการบ้านเมืองหน้าอยู่เวลา9ก้นาิกาสิบทีถึงสิบนาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม FM 90.25 มเกสิบจดสอมกรสวัสดีการตั้ฟังครับพบกับรายการบ้านเมืองหน้าอยู่นะครับ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 ก็เป็นรายการที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมท่านผู้ว่าอริศักดิ์เทพอาจรวมถึงท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะครับท่านรองคุมพลบรรเ่าทุกและรองสมชายวิทย์ดำรงรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมนะครับก็จะได้นําข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติราชการในด้านต่างๆครับมาพูดคุยท่านผู้ฟังได้รับทราบกันสําหรับรายการบ้านเมืองหน้าอยู่ในวันนี้นะครับช่วงแรกก็ได้รับเกียรติ จากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมท่านรองคุมพลบรรเทาทุกนะครับซึ่งวันนี้ท่านก็จะได้นําเรื่องต่างๆมาพูดคุยผ่านทางรายการบ้านเมืองหน้าอยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของงานประเพณีหลายเรือไฟจังหวัดนครพนมประจําปี2557นะครับจากนั้นในช่วงที่2นะครับนันท่านผู้ฟังไปพบกับทางด้านนายปริญญาธรเสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสํานัก ง, งานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต22ครับเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันกีฬานักเรียน3ประเทศ12จังหวัดแขวงนะครับช่วงนี้นะครับนำท่านผู้ฟังไปพบกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมท่านรองคุมพลบรรเทาทุกครับค่ะคุณพิยาครับขออนุ ญ, ญาตเตรียนวันนี้ท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านมีภารกิจนะครับได้มอบให้ผมมาดําเนินรายการแทนนะครับในรายการบ้านเมืองหน้าอยู่ของพวกเรานะครับครับ ก็เป็นเวลานานพอสมควร น, นะครับที่ผมเองก็ไม่ได้มีโอกาสเข้ามาที่นี่นะฮะก็เนื่องจากว่ามีภารกิจสําคัญหลายเรื่องนะครับที่ต้องรับผิดชอบก็ได้มอบหมายให้หัวหน้าส่วนการหลายท่านนะครับเข้ามาบอกเรา90้าพวกเรานะครับในหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองและก็ภารกิจที่อาจําเป็นจะต้องการเปลียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับครับในวันนี้นะครับเขาเนี่ยเวลาก็สี่าันนาทีนั่นนะฮะ ตรงนี้ก็จ ะ, จะมีการแบ่งเปลหลายท่านอาพออปริญญานะครับส่วนหนึ่งนะฮะในส่วนที่ผมจะกลับเรียนก็มีเรื่องหนึ่งนะฮะที่จะขออนุญาตก่อนนะครก่อนที่จะไปสู่เรื่องของการไหลเรือไฟนะฮะก็คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินการดำนิรภัยสาคัญของจังหวัดนะฮะก็คือเรื่องการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐมนะฮะในการดําเนินการศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครปฐมเนี่ยจริงๆมันก็เกิดจาก ตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับก็ได้มีประกาศนะครับฉบับที่9 6นะครับลงวันที่18กรกฎาคมนะครับให้มีการจัดตั้งศูนย์รับรองธรรมขึ้นในทุกจังหวัดนะครับแต่จริงๆก็เรียนท่านว่าศูนย์รับรองธรรมเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับในส่วนของกระทรวงไทยได้มีการดําเนินการกันอยู่นะครับซึ่งหน้าที่หลักก็คือรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อแก้ไขนะซึ่ง ตรงนี้นะครับก็มีการปฏิบัติงานโดยทางสำนักงานจังหวัดนครปนมีเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการพี่น้องได้รับความเดือดร้อนนะครับก็สามารถที่จะส่งข้อความเป็นจดหมายนะครับถึงท่านผู้การจังหวัดนะครับถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องนะฮะได้พิจรณาในเรื่องเก่าวได้นะครับตอนในในห้วงที่ผ่านมานอกจากนั้นก็จะมีการโทรศัพท์บ้างอะไรบ้างนะครับก็มาแจ้งโดยตรงก็ได้นะครับที่จังหวัดซึ่งเราก็แก้ไขปัญหากันอยู่เป็นประจําและต่อเนื่องนะฮะ แต่สืบเนื่องจากคณะรศชนะครับได้มีประกาศคศชนะครับได้มีประกาศฉบับที่96เนี่ยนะฮะวันที่18กรกฎาคมดังที่กาบเรียนท่านเพื่อนนะครับก็ให้มีการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นใหม่นะฮะในส่วนของศูนย์ดำรงธรรมนะฮะโดยมีความมุ่งหวังนะฮะว่าให้ศูนย์ดำรงธรรมแห่งเนี้ยเนี่ยเป็นศูนย์บริหารราชการของจังหวัดนะครับ ในการที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนาาเพื่อให้รับการแก้ปัญหาด้วยความเสมอภาคนะครับรวดเร็วลดขั้นตอนกขับหยาดงานโดยเฉพาะการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์นะครับปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องของพวกเรานี่แหละในพื้นที่ซึ่งจุดมุ่งเน้นหลักสําคัญก็คือทาอย่างไรก็ได้นะฮะปัญหาเนี่ยมันยุติในพื้นที่นะฮะแล้วก็ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนาและก็ได้รับความพึ ง, พ, งพอใจนะฮะ การดำเนินงานของพวกเรานะครับณวันนี้เนี่ยขออนุญาตเรียนพี่น้องนะครับว่าจังหวัดนครนมเนี่ยมีคําสั่งตั้งนาแล้วนะฮะตั้งแต่นู่นแหละครับกรกฎานะครับกรกฎาแล้วครัมีการจัดตั้งไปแล้วนะครับที่ใหม่นะครับอยู่บริเวณอาคารสารการจังหวัดหลังเก่านะครับด้านทิศเหนือชั้นหนึ่งนะฮะตรงนี้นะครับเราก็มีการแบ่งฝ่ายงานกันนะครับโดยจัดเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมปฏิบัติงานนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเข้ไปนะฮะ ก็จะมีการแบ่งส่วนงานเอาไว้เป็น5ส่วนงานนะครับก็ส่วนแรกก็เป็นส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์นะฮะส่วนที่2ก็ส่วนวิเคราะห์และแก้ปัญหานะครับส่วนที่3ก็เป็นส่วนบริการและให้ข้อมูลข่าวสารส่วนที่4ก็เป็นส่วนปฏิบัติการขึ้นที่เร็วนะครับและกาส่วนที่5้ก็คือได้กําหนดให้อําเภอทุกอําเภอก็มีการจัดตั้งส่วนรองทําด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ประจํานะครับในวันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ประจําซึ่งพวกเรานะครับสามารถที่จะ เข้าไปใช้บริการที่ศูนย์รับรองถามได้นะครับในปัญหาความเดือดร้อนต่างๆซึ่งเราก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับรับเรื่องราวร้องทุกข์ของพวกเรารับเสร็จก็จะมีการวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ถึงปัญหาของพวกเราว่าเป็นอย่างไรนะครับเกี่ยวข้องกับส่วนาการใดมีกฎหมายใดนะครับที่มีส่วนเกี่ยวที่จะเกี่ยวข้องที่จะแก้ไขปัญหานะครับหรือว่าจะมีวิธีการจัดการในปัญหานั้นอย่างไรนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าหากว่าเป็นเรื่องนะครับที่มีการ แจ้งเป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับหรือจําเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาโดยทันทีนะครับเราก็จะมีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วนะฮะเข้าไปดําเนินการด้วยซึ่งตรงนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ของทางฝ่ายทหารนะครับแล้วก็มีทางอสสของพวกเรานะครับตลอดจนทางอปพรนะครับของทางปอพนะฮะจัดเจ้าหน้าที่เอาไว้ช่วยในการทํางานนะครับเราสามารถที่จะไปยังพื้นที่เพื่อรับรู้รับทราบปัญหาและก็แก้ไขปัญหาให้ท่านได้นะฮะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่เราดําเนินการอยู่ แต่สืบเนื่องจากว่านะครับในการทํางานของพวกเราเนี่ยนะฮะทางคอสชเองนะฮะท่านก็มีแนวคิดนะครับว่าจะทําอย่างไรนะครับให้ศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดเนี่ยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะฮะก็ได้กําหนดภารกิจว่างานนะครับของศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยต่อไปนะฮะแทนที่จะดําเนินการในลักษณะของการเป็นงานเชิงรับนะฮะรับการให้บริการกับพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปเนี่ย อาจําเป็นนะครับจะต้องมีการพัฒนาเพิ่มศักยภาพขึ้นนะฮะโดยเฉพาะงานที่มีนะครับในหน้าที่นี่จะต้องขยายออกนะครับให้กว้างอย่างเช่นสิ่งแรกที่ต้องมีก็คืองานรับเรื่องเราวร้องทุกข์ฮะนี่ก็คือสิ่งที่เราทําอยู่แล้วนะครับประการที่2ครับสิ่งที่ทางคอสจต้องการให้เกิดนะครับในศูนย์ดำรงธรรมแห่งนี้ก็คืองานการบริการแบบเบสิสนัดจุดเดียวนะครับ one stop service นี่แหละนะฮะก็คืองานใดก็ตามที่มีวงจรการทํางานเนี่ยสั้นๆนะฮะ อย่างการอาขอแจ้งเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของปปาเรื่องอาการรับจดทะเบียนอะไรง่ายๆเนี่ยนะฮะก็ถ้ามั น, เ ป, น, เ, ปนเป็นไปได้ก็ขอให้มีการดำเ น, นินการณจุดเดียวซึ่งก็พยายามที่จะให้ทางศูนย์ดำรงทรรของเรารับผิดชอบการดำเนินการให้นะครับตรงนี้ประการที่3นะครับสิ่งที่เขาคาดหวังก็คื อ, อบริการรับเรื่องส่งต่อนะครับ e Link ที่เราพูดกันนะฮะก็คือกรณีที่รัษดรเองไม่รู้เรื่องนะครับว่า งานตรงนี้เนี่ยจะต้องติดต่อกับใครบ้างอย่างไรนะฮะจำเป็นจะต้องให้ทางศูนย์บุงธรรมรับเรื่องแล้วก็ไปส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาให้เนี่ยก็สามารถดําเนินการได้นะครับตรงนี้นะครับเราก็รับหน้าที่นี้อยู่นณปัจจุบันนะครับในส่วนของงานในเรื่องที่4นะครับก็ที่เป็นความการกําหนดโดยทางคอสชก็คือว่าจะต้องเป็นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารด้วยนะครับประเด็นว่านวันนี้นะครับทางเราได้พยายามปรับนะครับปรับศูนย์บุงธรรมของเราเนี่ยนะฮะ ให้เป็นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารนะครับและวันนี้ก็ได้มีการพูดคุยกันนะครับกับทางสำนักงานคลังจังหวัดนะครับซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารที่ดีนะครับของจังหวัดระดับประเทศด้วยซ้ําไปนะครับเรได้รับรางวัลในเดือนเดือนที่ผ่านมาที่ซ้ําไปนะครับเราได้รับรางวัลจากทางรัฐบาลนะครับว่าเป็นศูนย์บริการดีเด่นระดับประเทศนะครับของสำนักงานคลังจังหวัดซึ่งตรงนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อมูล าการเงินการคลังนะครับการค้าจ่ายแดนอะไรพวกนี้นะทางคลังเขาจะมีข้อมูลดังกล่าวนี้อยู่นะซึ่งในส่วนของสรรํานักงานคลังเองก็มีจุดบริการก็อยู่ใกล้ๆกับศูนย์ดํารงธรรมนะฮะท้องติดกันนะครับท้องติดกันซึ่งตรงนี้ก็ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับเราได้มีการบูรณาการให้ศูนย์ข้อมูลของคลังจังหวัดเนี่ยเป็นศูนย์ข้อมูลของศูนย์ดํารงธรรมด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็จะพยายามกําหนดให้ทางส่วนของกระทรวงแรงงานนะครับจัด เป็นรักษาของศูนย์บริการนะครับของกระทรวงแรงงานนะครับซึ่งตรงนี้ในส่วนของกระทรวงแรงงานก็จะมีหลายกลุ่มหลายฝ่ายนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอจัดหางานนะครับสวัสดิการคุ้มครองแรงงานประกันสังคมนะฮะแล้วก็ศูนย์ฝึกอะไรพวกนี้นะฮะมันมากนะครับมากหลายส่วนอยู่ที่จะต้องเกี่ยวข้องกับการดําเนินการด้านแรงงานของพวกเราเนี่ยนะฮะถ้าต้องการรับบริการในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือว่า การต้องการต้องการที่จะรับบริการแบบข้อวงจรนะครับก็สามารถที่จะไปใช้บริการในศูนย์นี้ได้นะครับซึ่งขณะนี้ได้มีการประสานงานจะให้ทางสํานักแรงงานจังหวัดมาตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารและก็รับเรื่องในลักษณะของ one stop service นะครับที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแรงงานเอาไว้ด้วยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของทางสํานักงานเกษตรนะครับของกระทรวงเกษตรนะครับก็จะมีศูนย์บริการนะครับข้อมูลข่าวสารนะครับแนะนําในแต่ละเรื่องแต่ละด้านนะครับเกี่ยวกับ การจัดการของหน่วยงานะในสังกัดกระทรวงเกษตรนะครับก็จะมาให้บริการด้วยกันนะครับ OSCC นะครับในเรื่องของการบริการเกี่ยวกับาการดูแลผู้คนทางสังคมผู้ได้โอกาสต่างๆเนี่ยนะครับเราก็จะพยายามจับไว้ณจุดเดียวนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนของพวกเราได้เข้าไปใช้บริการนะครับนอกจากนั้นนะครับในศูนย์ดำรงธรรมของพวกเราก็จะจัดให้มีเรื่องของการบริการให้คำปรึกษารับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆนะครับตรงนี้ก็ เป็นเป็นเรื่องเป็นสถานที่ที่เราอาจัดบริการให้กับพี่น้องประชาชนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายนะฮะกฎหมายเรามีนิติกรนะครับประจําซึ่งนิติกรก็มีความรู้ความสามารถดีนะครับจบเนมาด้วยนะครับได้ผ่านเนมาแล้วนะครับใบประกาศเนมก็ได้เรียบร้อยนะครับแต่ละคนนะครับมานั่งให้บริการกับพวกเราชี้แนะให้คําปรึกษานะครับบางเรื่องที่ท่านไปนะครับไม่จําเป็นจะต้องไปเรื่องอัยลองถูกลองเรียนนะครับแต่ว่าเป็นการปรึกษาหรือเพื่อหาทางออกนะครับในการแก้ปัญหาก็ได้นะครับ ในส่วนของหน่วยขึ้นที่เร็วนะครับหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเนี่ยเราก็ได้มีการจัดบริการนะครับเรามีรถนะฮะเรามีรถตู้ของพวกเรานะครับมีปิกอัพของพวกเราจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้พร้อมนะครับหากมีการแจ้งทางโทรศัพท์หนึ่าหกเจนะครับที่ที่เราเคยบอกเลาก็สิกันไว้นะครับก็สามารถที่จะโทรไปได้นะครับใช้บริการเราได้นะครับในการที่จะให้ไปแก้ไขปัญหากับพวกเรานะครับในพื้นที่จังหวัดนะครับสามารถที่จะติดต่อไปได้นะครับ นอกจากนั้นท่านครับในส่วนของศูนย์นํารงธรรมเนี่ยนะฮะตามาการกําหนดซึ่งเป็นนโยบายนะครับของคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับหรือคอสชอเรานี่ยนะฮะก็ได้กําหนดให้ว่าจุดของศูนย์น้ำหงธรรมจุดนี้เนี่ยจะต้องดําเนินการตามแนวทางนโยบายรัฐบาลด้วยนะครับก็เป็นการบอกเลยนะฮะว่านอกจากจะทํางานในเรื่องของการบริการประชาชนแก้ปัญหาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยนะฮะในการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลจะต้อง นายุบายรัฐบาลเนี่ยจะต้องได้ดูแลกันด้วยนะครับไม่ได้หมายคำว่าจะทําแค่นี้นะฮะซึ่งต่อไปก็แสดงให้เห็นว่ า, าการดําเนิน ง, งานของพวกเราเนี่ยมันจะต้องเบ็ดเสร็จนะฮะศูนย์ดํารงทํานี่จะต้องเพิ่มศักยภาพขึ้นแหละนะฮะไม่ได้หมายคำว่าจะต้องเป็นหน่วยเล็กๆละนะครับตรงนี้ซึ่งพวกเราเองนะครก็เรียนท่านาพี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าณวันนี้เนี่ยมีการาบูรณาการเจ้าหน้าที่นะครับจากทุกหน่วยทุกฝ่ายนะครับไปนั่งประจํา ช่วยกันนะฮะช่วยกันอยู่แล้วนะครับดำเนินการก็อะไรที่เป็นปัญหากับพี่น้องประชาชนเราก็ไปดําเนินการให้อย่างชัดเจนนะครับอย่างในในภารกิจนะครับในการดำเนินการนะครับขอเรียนพี่น้องประชาชนว่าจังหวัดของพวกเราเนี่ยนะฮะเพื่อจะให้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเราเนี่ยได้รับการแก้ไขนะครับให้เป็นไปตามนโยบายนะครับตามประกาศตามคําสั่งนะครับและการนโยบายของรัฐบาลเนี่ยนะฮะ ในห่วงที่ผ่านมาเราได้มีการจัดตั้งนะครับเพื่อให้งานของพวกเราเ ป, เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับเป็นผลในตามปฏิบัติเรามีการตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานของเรานีขึ้นมาถึง13บสาคณะนั่นะก่อนย้ายเดือนมีได้หมายคำว่าทางจังหวัดเนี่ยอยู่นิ่งนะนะวันนี้เนี่ยทุกคนก็ทํางานกันนะครับทุกส่วนทุกฝ่ายทำงานกันเราพร้อมที่จะเหนื่อยนะครับปี2ปี3ปีที่จะถึงเนี่ยเราไ ม, ไม่ไม่มีปัญหานะครับทุกคนร่วมกันทํางาน เพื่อจะให้บ้านเมืองของเราได้รับการแก้ไขปัญหานะครับพวกเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าในห่วงที่ผ่านมาเนี่ยปัญหามันเกิดมากมายนะครับแต่ที่ไหนก็เป็นปัญหาทั้งสิ้นนะฮะ บ, บ้านเมืองขาดการปฏิรูปนะครับขาดการปฏิรูปขาดการแก้ไขนะครับจนกระทั่งเกิดความวุ่นวายในบ้านในเมืองซึ่งจําเป็นจะต้องมีการจัดระบบ ก, กันใหม่นะครับตรงนี้ก็รับทราบกันสิ่งที่เราทําตามนโยบายของคอสชอนะครับแล้วก็ณวันนี้รัฐบาลเองก็ต้องมาเทคโอเวอร์นะพูดง่ายง่ายครับคือมาเทคท่านในส่วนของ คำสั่งตัวนี้เรื่องแรกนะครับคือเรื่องของการปราบปรามหยุดยั้งยาเสพติดนะฮะขอญาติเรียนพี่น้องว่าปัญหานี้เป็นปัญหาหลักนะครับในบ้านเรานะครับการจับคุมอะไรหลายๆหลายๆอย่างนะครับการจับคุมเรื่องยาเสพติดไม่ว่าเป็นยาบ้านะครับกัญชาพื้นที่ระขอบหนุนมากมากจริงๆนะครับยอมรับนะครับทุกจุดนะครับในพื้นที่มีการลักลอบนําเข้านะฮะลักลอบนําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านนี่แหละนะฮะซึ่งผู้ค้าในส่วนของต่างประเทศนะครับก็ ขาแบบสบายๆนะครับขออนุญาตเดียนท่านนะฮะของคนไทยก็เหมือนกับแมงเม่าบินเข้ากองไฟนะครับไปกันนะครับเอายามาพวกเราก็จับกลุมจับกลุมก็ติดคุกนะครับเป็นวงจรอย่างนี้นะฮะไม่สิ้นสุดนะครับในส่วนของยาบ้านนอกจากจะเป็นพ่อค้าลายใหญ่นะครับลายกลางลายเล็กเนี่ยฮะก็มีการดำเนินการในพื้นที่เช่นกันนะครับบางคนก็รับยามาก็มาจําหน่ายในพื้นที่ตําบลหมู่บ้านซึ่งวันนี้ทาง ชุดปฏิบัติการของพวกเราเข้าไปดำเนินการในพื้นที่จับได้เยอะฮะบอกตรงๆนะครับจับได้เยอะนะครับในแต่ละพื้นที่วันละ2ราย3าลาย2อาย3าลายนี่เยอะมากนะครับซึ่งเป็นปัญหาซึ่งตรงนี้เราจําเป็นนะครับจะต้องมีการดำเนินการอย่างจริงจังนะครับโดยทุกฝ่ายนะครับต้องร่วมมือกันนะครับขออนุญาตนะครับไม่ใช่ปัญหานี้จะเป็นปัญหาของทางฝ่ายจังหวัดอย่างเดียวนะครับฝ่ายปกครองอย่างเดียวไม่ใช่นะครับฝ่ายตํารวจแล้วก็ท้ายฝ่ายของพี่น้อง ผู้ปกครองท้องที่ท้องถิ่นนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านอบตอบตครับต้องดูแลช่วยกันซึ่งถ้าหากเราไม่ดำเนินการนะครับปัญหานี้ก็จะลุกลามนะครับเป็นปัญหาต่อความมั่นคงของชาติได้อย่างอย่างแน่นอนเลยนะครับในส่วนของที่สอนะครับที่เราได้ทำนะครับคือเรื่องของการปราบปรามผู้มิทธิพลนะครับตรงนี้เรามีคณะกรรมการนะครับขออนุญาตเปิดเลยนะเปิดเดีนเปิดเผยเดีนพวกเราเลยว่าคณะกรรมการเนี่ยนะมีการสกีนนะครับบุคคลที่มีลักษณะ คือเข้าข่ายของผู้มีอิทธิพลนะครับในพื้นที่แต่ละอำเภอต่างๆก็มีการสำรวจตรวจสอบนะครับมีการแจ้งข้อมูลกันมานะครับแจ้งข้อมูลกันมาถึงระดับจังหวัดระดับจังหวัดก็จะมีฝ่ายความมั่นคงของพวกเรานะครับดูแลกันว่าใครนะฮะที่มีพฤติกรรมในลักษณะอย่างนั้นนะครับมีการถกกันนะครับว่าถูกต้องไห้อย่างไงนะครับมีข้อมูลเบื้องลึกเป็นอย่างไรแต่ละบุคคลครับก็ก็มีการทําการทําข้อมูลตรงนี้นะครับไว้ในฐานข้อมูลของเราด้วยแล้วก็มีการแจ้งไปยังส่วนกลางด้วยนะครับ ตันี้ก็คือสิ่งที่เราได้ดำเนินการกันนะฮะซึ่งก็เรียนท่านว่าปัญหาผู้อิทธิพลเนี่ยเป็นปัญหาที่เราจับตาเป็นพิเศษนะครับมีในหมายว่าปล่อยปละเลยนะครับให้มีการดําเนินการได้อย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายเนี่ยก็ไม่ใช่นะครับนอกจากในส่วนของผู้อิทธิพลนะครับก็จะเป็นเรื่องของการปรับปรามการพนันและสิ่งผุดกฎหมายนะครับเรียนพี่น้องครับว่าการพนันเนี่ยนะฮะมันไม่ได้หมายเฉพาะในส่วนของ เรื่องของการเปิดบ่อนเล่นไพ่เล่นไฮโลเท่านั้นนะครับอายขายหวยนะครับขายหวยขายอะไรเนี่ยนะฮะซึ่งหน้าวันนี้เนี่ยนะครับก็เหมือนเหมือนจะหยุดนิ่งนะครับในหลายส่วนก็เหมือนจะหยุดนิ่งนะครับหลังจากที่ได้มีการประกาศเราเอาจริงเอาจั ง, จงในแต่พื้นที่นะครับเหมือนจะหยุดนิ่งแต่ในการเฝ้าระวังของพวกเรานะครับขอขอเรียนท่านว่ายังต้องการข้อมูลอยู่เสมอนะครับยังต้องการรับทราบข้อมูลจากพี่น้องประชาชนอยู่เสมอเพราะว่าชุดปฏิบัติการของราฐนี้ก็ลงไปนะครับไปตรวจนะครับตรวจสถาน ที่ที่เป็นพื้นที่เสียงหรือมีการแจ้งบาะแสนะครับในเรื่องของการพนันและสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยเราดรําเนินการโดยตลอดนะครับนะวันนี้ก็มีการเฝ้าระวังกันในทุกพื้นที่อยู่นะครับนอกจากนั้นนะครับในพื้นที่นครนนมเราก็มีการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รถสกีแ lap นะฮะซึ่งปัญหานี้ก็ปัญหาคาใจกันมานานพอสมควรนะครับเพราะว่าในเขตพื้นที่ของพวกเราเนี่ยนะฮะก็ยังมีรถนะครับรถบริการที่ไม่ถูกต้องนี่เยอะแยะนะครับ แต่ว่าในส่วนของรถตู้รถผู้โดยสารธรรมดานี่ก็ในพื้นที่เราก็โชคดีหน่อยนะครับไม่มีนะฮะแต่ปัญหาก็คือรถสกาย랩ของเราซึ่งทางฝ่ายเราเองนะครับทางจังหวัดเองว่ายัางไงก็ต้องจัดระเบียบนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีพี่น้องประชาชนนะครับในเขตของอําเภอเมืองนะครับมาแจ้งแจ้งจดนะครับรับแจ้งในเรื่องของรถ3ามอสกาย랩เนี่ยถึง3 3มร้คันนะฮะซึ่งตรงนี้เราก็จะนําเข้าสู่การตรวจสภาพนะครับไฟหน้าไฟเลี้ยวห้องผู้โดยสาร ผ้ายางการฝนเป็นยังไงนะครับได้ถ้าใครผ่านตรวจก็จะมีการจะติดสติกเกอร์ให้นะครับให้เสื้อกั๊กไปนะครับหรเสื้อกั๊กไปซึ่งตรงนี้ก็จะมีการกําหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องของราคาการโดยสารด้วยนะครับซึ่งก็ขออนุญาตเรียนท่านว่านี่ก็คือการจัดระเบียบของพวกเรานะครับแม้จะลดแต่สกายแบบที่เราเห็นเนี่ยจะยังไม่ถูกต้องก็ตามนะครับแต่เนื่องจากว่าการระเบียบของกฎหมายเนี่ยยังไม่รับจดนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเราก็เสนอนะครับเสนอไปยังคอสชว่า ให้แจ้งทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยพี่ณาแก้ไขกฎหมายด้วยนะครับให้ลดสกาย랩ของกานันเป็นลดรับจ้างสามล้อได้นะครับเพื่อให้มีการจดทะเบียนรับจดทะเบียนในโอกาสต่อไปนะครับนี่ก็เป็นการจัดจัดการในเรื่องของปัญหารถโดยสารนะครับในส่วนของเรื่องของแรงงานนะครับแรงงานทางด้าวแรงงานอะไรเนี่ยนะฮะเราก็มีการตรวจสอบนะครับไปตรวจสอบดู3บริการต่างๆเยอะแยะไปหมดนะฮะในห้วงที่ผ่านมานะครับหลายที่เขาเจอเขาจับนะครับจับกลุ่ม ดําเนินการตามกฎหมายนะฮะนอกจากนั้นก็มีการเปิดนะครับเปิดศูนย์บริการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวนะครับซึ่งการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวเนี่ยเราทําตั้งแต่วันที่8กรกฎาคม57นะฮะซึ่งจังหวัดนครนมก็ดําเนินการด้วยมานะครับจนกระทั่งระยะหลังก็พราวๆลงนะครับจํานวนคนน้อยลงเข้าไปย้ายไปเป็นจุดบริการแห่งใหม่นะครับไปที่บริเวณ สารการหลังเก่าครับติดศูนย์ดำรงธรรมเลยนะครับซึ่งก็จะรับบริการในการจดทะเบียนแรงงานอยู่เหมือนเดิมนะครับจนกระทั่งถึงนู่นนะฮะถึงวันที่3ามสิเมีนาคมนะฮะปีห้าแนู่นนะครับจดทะเบียนถึงจะสิ้นสุดนะครับในส่วนของจำนวนนะครับจำนวนผู้ที่มาจดทะเบียนกันนะครับในวันนี้นะฮะก็เรียนท่านว่าเพิ่มนะครับจากปีจากการคาดการณ์นะครับเราคาดการณ์แค่พัน800กว่าคนนะครับแต่พากฏว่า ณวันนี้มาจดทะเบียนแล้วถึง 2,182 คนนะครับก็ขออนุญาตเรียนว่าแรงงานลาวนี่ก็ 2,001 น, นะฮะแรงงานกัมพูชาก็27คนนะพม่า ก, ก็25คนนะครับก็ไม่มากนะครับในส่วนนี้แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีทยอยมาเรื่อยๆนะครับซึ่งเราเองก็พยายามจัดระบบนะครับจัดระบบแล้วก็ในส่วนของแรงงานต่างด้าวเนี่ยนะก็เรียนท่านว่าเราดูนะครับดูนะครับจะมีการตรวจสอบดูว่าใครขึ้นทะเบียนแล้วนี่ ทำงานตามที่แจ้งหรือไม่ตามที่จดแจ้งหรือไม่นะฮะไม่ได้หมายความว่าทําแล้วก็จดทะเบียนแล้วเสร็จก็ไปทําอย่างอื่นทําในสิ่งที่มันถูกต้องก็ไม่ได้นะครับตรงนี้เราก็จะมีการฟ้อระาวังต่อไปนะครับนอกจากนั้นนะครับในเรื่องของปัญหาการควบคุมดูแลนะครับการประกอบการดูดทรายนะครับในลําน้ําโขงนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการระ เ, เบิดหินนะครับประกอบการเหมืองแร่นะครับตรงนี้เนี่ย เรานะครับได้มีการจัดชุดปฏิบัติการในส่วนของทางจังหวัดร่วมกับทางทหารนะครับก็ไปดูแลนะครับอย่างเต็มที่ในทุกพื้นที่เลยนะฮะก็พบเช่นกันนะครับก็พบในส่วนของหดูทรายนี่นะฮะก็มีลักษณะการการลักลอบนะฮะลักลอบก็มีการแจ้งความดําเนินคดีกันไปนะฮะในส่วนของเมืองแร่นะครับในขณะที่ไปทนการตรวจนะครับก็ปรากฏพบร่องลอยเช่นกันนะครับซึ่งทางเราเองก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังกํากับดูแลซึ่งในส่วนทั้ง2ส่วนนี่นะฮะ ก็ขออนุญาตเรียนท่านว่าเราเฝ้านะครับเกาะติดนะครับจะไม่มีการดําเนินการใดๆที่ไม่ถูกต้องอีกต่อไปนะครับตรงนี้จะต้องเท่าสุรบีบกฎหมายกันนะนอกจากนั้นก็ไปดูในเรื่องของการบุกยึดนะครับพื้นที่ป่านะครับที่มีการบุกรุกกันนะฮะซึ่งในพื้นที่บ้านเราก็ขออนุญาตเรียนท่านว่าดำเนินการเยอะพอสมควรนะครับในเรื่องของป่าเนี่ยนะฮะมันมีทั้งป่าสงวนแห่งชาตินะครับและก็ที่สารประโยชน์นะครับที่เราได้ดําเนินการจัดการกัน นะครับในส่วนของที่สารประโยชน์ก็จะเป็นเรื่องของพื้นที่นะครับสารประโยชน์ในพื้นที่อาเภอนาแกนะครับก็จะมีบริเวณที่สานะหนองเหล่าใหญ่นะครับประมาณเนื้อที่ 1,400 กว่าไร่นะฮะมีการบุกลุกกรกว่าไร่นะครับมีล่าสลรบุกลุกก็32อลายนะครับแต่ว่ามีการจับกลุ่มนะครับลนะฮะในที่สาระที่ท่าพนมครับที่สาระดงคัดเข้านะครับนี่ก็8 0ดร้ไร่นะครับเนื้อที่ก็ ทั้งหมดนะฮะมี17บลายนะครับเข้าไปบุกลุกซึ่งเราก็จับกลุ่มทั้ง17บลายนะครับขออนุญาตเตืยนท่านนะครับว่าเอาจริงเอาจากนะครับกับสิ่งเหล่านี้ที่วางยางนะครับก็มีการบุกลุกนะครับในพื้นที่หนอง2ห้องนะฮะที่สถานหนองสองห้องนะครับพื้นที่3ามเไร่นะครับก็มีทั้งหมด33มาลายนะครับได้เชิญมานะครับเพื่อทําความเข้าใจกันนะครับทั้ง33มาลายแล้วก็ในส่วนของบ้านแพงนะครับหนองทับหลวงพื้นที่ 4,700 ันเยไร่นะครับ มีการปุกลุก500ไร่นะครับมีราษฎรที่เข้าไปเกี่ยวข้องถึง53คนนะครับ53รายนะครับก็ได้เชิญมาพูดคุยสร้างความกระจ่ากันนะครับใน53รายนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ป่าป่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นป่าป่าบ้านพลสว่างป่าปากนะครับป่าดงบ้านพลสว่างป่าป่านะครับตรงนี้พื้นที่เดิมจริงก็ 63,000 ไร่นะฮะมีการบุกลุก 2,600 กว่าไร่นะครับราษดร300รายนะครับได้มีการเชิญมาเพื่อพูดคุยกันนะครับ ซึ่งนอกจากจะเชิญมาพูดคุยกันครับก็ได้บอกไปว่าถ้าใครยังไม่ออกนะครับยังไม่ออกจากพื้นที่หลวงนะฮะก็คงจะต้องดําเนินการทางคดีไปนะครับนอกจากนั้นเราก็ได้มีการปลูกป่าเพิ่มเติมนะครับตรงนี้แลกที่สําคัญนะครับที่พวกเราจะไม่บอกเล่าเราก็ไม่ได้นะครับการปลูกที่สารประโยชน์นะครับในพื้นที่โคกภูกระแตนะครับไผ่ล้อมเนี่ยฮะตรงนี้ก็พื้นที่ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่น้อยนะครับสอ0พันเาอยไร่นะฮะแต่ว่า พบมีการบุกรุกในพื้นท well ี่ประมาณ367ไร่นะครับซึ่งผู so, so, ้ต well, ้องหาบุกรุกในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมี14รายนะครับแล้วก็มีการเปิดโรงแรมในพื้นที่สาราปิโยน์ตรงนี้ด้วยหนรายนะครับซึ่งทางเราเองนะครับก็ได้มีการดําเนินการนะครับต่อพี่น้องนะครับที่ได้บุกลุกที่เหล่านั้นนะครับเราก็บอกให้ออกนะฮะถ้าไม่ออกก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายเพราะไม่มีกฎหมายอื่นใดนะครับให้อํานาจที่จะเอาที่หลวงไปให้กับบุคคลนะครับก็ขออนญาติยิน พี่น้องอย่างนั้นนะครับนอกจากนี้นะครับในเรื่องของการจัดระเบียบสังคมนะฮะเราก็มีการดําเนินการกันของญติเรียนท่านว่าการจัดระเบียบสังคมนี่ก็ดูแลตั้งแต่สถานบริการนะครับสถานบริการส่งเสียงดังกันให้บริการในลักษณะที่ร่อแหลมนะครับต่อการค้าประเวณีพวกเนี้ยนะฮะพวกเราเดําเนินการกันเป็นผลนะครับเป็นผลในทางบัตรมากทีเดียวนะครับแล้วก็ในเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สินนอกระบบนะครับก็เรียนท่านว่าในวันนี้นะครับเรื่องของหนี้สินนอกระบบเนี่ย มีมากนะฮะมีมากโดยเฉพาะไอ้ไอ้แก๊งมอเตอร์ไซค์นะครับใส่หมวกกันน็อกใส่ชุดซัฟารีชุดดานะครับไปทวงหนี้ทวงศินเนี่ยนะฮะอ่าก็อ่าเราก็มีการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปแจ้งที่ศูนย์ดารงธรรมมากนะครับศูนย์ดารงธรรมของเรานะก็ได้มีการเรียกนะฮะเรียกผู้เสียหายและผู้ที่เกี่ยวข้องเอามานะครับมาคุยกันดูว่าหนี้สินมันเกิดจากอะไรนะครับมันมีความสมเหตุสมผลพอที่จะมีการชดใช้หนี้สิน หรือไม่นะครับมีการคิดดอกเบี้ยแพงยังไงหรือไม่นะครับหรือถ้าเป็นการข่มขู่นะครับทำร้ายร่างกายก่อให้เกิดอันตรายเนี่ยก็ต้องดําเนินการนะครับตรงนี้เราจัดการให้นะฮะก็ขออนุญาตเรียนพี่น้องว่าหากมีนะครับหากมีปัญหาในส่วนนี้อย่าอย่าได้เก็บไว้คนเดียวนะครับไปบอกจังหวัดนะครับศูนย์องค์การเรามีชุดปฏิบัติการนะครับเราจะเชิญผู้เกี่ยวข้องมาเพื่อตกลงกันนะครับถ้าจ็บตกลงไม่ได้ก็ดำเนินการตามกฎหมายโดยเฉียบขาดนะครับ นอกจากนั้นนะครับในเรื่องของการจัดระเบียบทางเท้านะครับนครพนมเราก็มีเหมือนกันนะครับโดยพื้นที่ที่เราให้ความสําคัญเป็นพิเศษก็บริเวณหน้าโรงพยาบาลนครพนมเรานะฮะซึ่งตรงนี้ก็เดีนว่าเป็นพื้นที่ที่เราเนี่ยถ้าปล่อยปากได้เลยไปนะครับเดี๋ยวผู้ค้าเราก็จะคุ้นชินนะครับขอนุญาตคุ้นชินเสร็จก็ไม่ยอมนะไม่ยอมออกนะครับไม่ยอมหนีจากพื้นที่สาธารณะนะครับเพราะว่าทางเท้าก็เป็น พื้นที่สาธารณะที่ประชาชนช่องช่าประโยชน์ร่วมกันแต่ละถ้าเราจับจองมาทํามาค้าขายกันนะครับหรือเบียดบังเอาทอี่ทางเท้าของพี่น้องประชาชนเนี่ย น, นะครับมาใช้ประโยชน์ส่วนตัวนะครับก็คงจะไม่ถูกต้องนะครับทางเราก็ได้ร่วมกับทางเทศบาลเมืองนครปนมนะครับแล้วก็ทางจังหวัดทหารบกนครปนมนะครับมาร่วมกันดำเนินการจัดระเ ouais. บียบตำรวจภูธรด้วยนะครับมาจัดระเบียบกันซึ่งก็ในการดำเนินการก็ในวันนี้นะครับก็ให้ขยับนะครับขยับ อย่างน้อยต้องมีพื้นที่ว่างให้พวกเราได้เดินได้นะครับอย่างน้อย50เซตนะฮะแล้วก็ในส่วนของผู้ค้านะครับบางส่วนก็จัดจัดพื้นที่ให้นะครับจัดพื้นที่ให้ขายนะฮะซึ่งตรงนี้ในระยะต้นก็เป็นบริเวณหน้าโรงพยาบาลนะครับในระยะเฟสสก็ทั้งถนนสายอภิบาลบัญชานะฮะตรงนั้นนะครับทั้งหมดนะครับทั้งอภิบาลบัญชาและระยะที่3นะครับก็คือทั้งหมดในตัวเมืองเรานะครับสี่ลายที่มีอยู่จากการสำรวจนะครับ ก็ต้องอออต้องประชามพผ่า์ให้พี่น้องประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้บทราบนะครับคณะเราก็มีการตรวจพื้นที่แล้วก็แจ้งท่านว่าขอความกรุณาได้ขยับนะครับจากพื้นที่ภายใน7วันนะครับตรงนั้นก็ได้แจ้งกันไปแล้วนะครับก็จะมีการติดตามกันอยู่นะครับว่าตรงนี้จะมีผลในทางปฏิบัติอย่างไรบ้างนะครับเราก็พยายามทําอย่างละมุนละม่อมนะครับก็คิดว่าพี่น้องก็ที่ทําชิค่า ข, า, ขายก็ทํามาหากินโดยสุจริตนะครับไม่ได้ไหมายคำว่า เป็นผู้ที่ไปค้ายุง้ายากันนะฮะไม่ได้ร่ำรวยเหมือนกับพวกคขายาหรอกนะกขอความอนุญาตเรียนอย่างนั้นก็แล้วกันนะครับเราทามาหากินกันนะครับก็เราก็พยายามดูแลกันที่แหละนะครับแต่ยังไงก็ต้องให้ถูกระเบียบไปนะครับครับนี่ก็คืองานคณะกรรมการที่เราได้ทํากันนะครับก็มีเยอะพอสมควรนะฮะในส่วนนี้ก็7 8็ดก้คณะในคณะเหล่านี้ท่านขออนุญาตเรียนพี่น้องประชาชนว่าถ้าหากท่านมีเบาะแสไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดนะครับ ไม่ว่าการปราบปรามผู้มีที่พนนะครับการพนันบอลเทือนนะครับแล้วก็ขายหวยขายเบอร์นะฮะจัดระเบียบรถยนต์รถจักรยานที่มันไม่เรียบร้อยนะครับจุดไหนอย่างไรเนี่ยนะฮะแล้วก็มีพบเห็นปัญหาแรงงานต่างด้าวนะครับกลุ่มที่ก่อปัญหาบ้านเมืองเรานะครับแล้วก็ในเรื่องของการดูแลระเบิดหินระเบิดอะระเบิดหินดูดหินดูดทรายอะไรพวกเนี้ยนะฮะที่ไม่ถูกต้องนะครับการบุกรุกในที่ป่านะครับไม่ว่าจะเป็น ที่าระประโยชน์นะครับหรือว่าที่ที่เป็นปลาสงวนแห่งชาติอุทยานแห่งชาตินะครับที่เราพบเห็นเนี่ยนะฮะหรือว่าปฏิบัติการใดๆไม่ถูกต้องนี่นอกระบบนะครับหรือว่าเรื่องของการบุกรุกทางเท้าใดๆก็ตามนะครับขออนุญาตเรียนท่านว่าท่านสามารถที่จะมาพบเราได้นะครับที่ศูนย์อำนวยธรรมจังหวัดนะครับซึ่งศูนย์อำนวยธรรมจังหวัดของพวกเราเองก็เปิดรับท่านเสมอนะครับมีการนอนเวรด้วยนะท่านฮะกลางค่ํากลางคืนก็ต้องนอนเฝ้ากันนะครับตลอด24 และก็ในส่วนของวันเสาร์ทิตดิก็มีการอยู่เวรกันนครับสามารถแจ้งได้ซึ่งผมเองนะครับในฐานะผู้มีการศูนย์นะครับผู้มีการศูนระดงธรรมเนี่ยท่านผู้ราการจังหวัดขอมอบหมายซึ่งผมเองก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับในการที่ดูแลความสงบสุขของพี่น้องประชาชนนะครับในทุกเรื่องผมขออนุญาตเตียนพี่น้องว่าผมทําอย่างเต็มที่นะครับอย่างจริงจังและจริงใจในการที่แก้ไขปัญหาพวกเรานะครับก็ขออนุญาตเตียนประชาพันธนะครับให้พี่น้องเราได้รับทราบนะครับในส่วนของศูนย์ระดมธรรมขอต้อนนิดนึงท่านฮะ ไม่ทราบว่าทางท่านผอท่านมารอครับแต่ว่าท่านรองพูดได้ครับผมครับเรื่องครับนเอานิดหนึ่งของในส่วนของไหลเลือไฟนะฮะถ้าไม่เล่าเลยก็คงจะตกนะครับตกข่าวไปนะครับเป็นเป็นเรื่องที่ร่วมสมัยนะครับขออนุญาตเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่างานไหลเลือไฟของปีนี้เนี่ยหนึ่งถึงเก้านะฮะหนึ่งถึงเก้าตุลาคมซึ่งไฮไลท์สำคัญก็ขออนุญาตเรียนว่ามันก็มีหลายส่วนนะฮะส่วนแรกก็จะเป็นในเรื่องของอ าการจัดกิจกรรมทั่วไปในจังหวัดนี้แหละนะครับขอเรียนท่านว่าปีนี้นะครับเราได้มีการจัดนิทรรศการอาหารนะครับอาหารเวียดนามด้วยนะนะครับบริเวณลานพนมนาคาจาก1นถึงเเราสามารถที่ไปชิมไปเยี่ยมชมไปชมดนตรีของเวียดนามาแล้วก็ชมชิมอาหารเวียดนามมีทั้งหมด10อย่างนะครับประธานชมรมชาวไทยเชื้อสายเวียดนามท่านให้ข่าวมานะครับตรงนี้ก็สําคัญก็ขออนุญาตทีนพี่น้องไปนะครับในส่วนที่2นะครับบริเวณเลยขึ้นไปอีกนะ บริเวณล า, านตะบันเบิกฟ้านะครับบริเวณหน้าบ้านท่านผู้อาสานะฮะก็เป็นลานวัฒนธรรมนะครับก็จะมีการแสดงของน่าตัดสินลป์าวเวียดนามและก็ของไทยด้วยนะครับการแสดงศิลปวัฒนธรรม3ประเทศไทยลาวเวียดนามของอินโดจีนนะครับตรงนั้นในการแสดงคืนที่4 5 678เนี่ยนะฮะครบฟูลทีมนะครับสประเทศนะครับแต่ว่าในช่วงนี้นะครับจะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของไทย เป็นพื้นก่อนนะครับมีที่ชมนะครับมีที่จําหน่ายอาหารท่านสามารถที่จะไปพาลูกหลานนะครับไปชมไปชิมได้นะครับตลอดงานนะครับขอญาติเรียนอย่างนั้นนะครับในส่วนที่3นะครับที่เฉลียนก็คือเรามีวัฒธรรมเรือไฟไอวัฒนธรรมเกี่ยวกับการจัดทำวิถีชีวิตคนทําเรือไฟนะครับอําเภอทุกอําเภอมาจัดซุ้มนะฮะมีสิลปะเป๋านธรรมของตัวเองมาแสดงเชิญนะครับเชิญไปดูกันนะฮะตรงนี้สําคัญหลายเรือไฟนะครับจะมีวันที่4ีถึงเนะฮะไอ าการแข่งเลยยาวนะครับจะมีวันที่4ีถึงเนะฮะแข่งเลยยาววันที่4วันที่5ก็จะเป็นการชิงช้วยพระราชาสมเด็จพระเทพรัตน์นะครับวันที่6ที่7เนี่ยคืเป็นชิงโล่นะครับโลพระาธาตุจากพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะครับสนามนี้สนามใหญ่นะครับก็ขอนอย้ำอย่าลืมอย่าพลาดกันนะครับและวันที่8ปดนะครับรำบูชาพระทาพนมเวลาเช้านะครับบ่ายโมงคึ่งก็อัญเชิญไฟพเลิกแล้วก็างานอามอบอ ทางศาสนากรปล่อยเรือไฟนะครับและก็เวลาเย็นก็ ok จะมีเรื่องของมหากรรมไหลเรือไฟนะครับมหากรรมไหลเรือไฟซึ่งตรงนี้นะครับก <dot> ็มีชื่อการแสดงแสงสีเสียงครับอิมบุนอิมใจไหลเรือไฟนครปนมครับซึ่งการแสดงนี้ก็ในเวทีกลางน้ําของพวกเรามีทุกวันนะครับมีทุกวันแต่จะมีงานอิมบุนอิมใจไหลเรือไฟในครปนมีก็อยู่แค่สาวันนะครับก็ขออนุญาตท่านไปรับชมนะครับให้เราได้นะครับกับพวกเราได้ฝากนะครับในการ งานของพวกเราในครั้งนี้ก็ฝากในฐา น, นะเราเป็นเจ้าบ้านนะครับก็ขอให้ได้ตั้งใจในการในการรับนักท่องเที่ยวนะครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีครับคครครับรับบในช่วงแรกนี้ก็ต้องขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะครับท่านรองคุมพลบรรเทาทุกที่ได้กรุณานําในเรื่องของการดำเมินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนมแล้วก็เรื่องของงานประเพณีไหลยเรือไฟของจังหวัดนครพนมประจําปีนี้มาฝากท่านฟังในรายการบ้านเมืองหน้าอยู่นะครับในช่วงนี้ขอบคุณท่านมากครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณท่าฟังครับ ในช่วงหน้านะครับกลับมาติดตามรับฟัง เ, เรื่องเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬานักเรียน3ประเทศ12จังหวัดแขวงนะครับกับทางด้านคุณปริญญาธ ร, รัสสยนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธย ม, มศึกษาเขต22จังหวัดนครพนมสักครู่หนึงครับพี่น้องชาวจังหวัดนครพนมที่เคารพกรา บ, บขอผมในอดีศักดิ์เทพอาจผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม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 เรามีองค์พระธาตุพนมที่ศักดิ์สิทธิ์ขอเชิญชวนนะครับให้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานวัฒน ธ, ธรรมประเพณีแบบร่างเดิมของชาต น, นคนพรพนมให้คงอยู่สืบไปบครับ จ, จังหวัดนครพนมร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนาคารพนมและเทศบาลเมืองนาคารพนมขอเชิญเที่ยวงานประเพณีหลายเรือไฟและงานกาชาติจังหวัดนาคารพนมประจำปี2557ระหว่างวันที่ 1-9 ตุลาคม2557บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงเขตเทศบาลเมืองนาคารพนมและบริเวณสารากลางจังหวัดนาคารพนมพบกับพิธีรำบูชาพระธาตุพนมมากำไลเรือไฟอันสวยงามการแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าและศิลปวัฒนธรรมไทยลาวเวียดนามการแข่งขันเรือยามิตรภาพไทยลาว และมากมสายน้ำโขงมหาธารามนตรานครพนมพร้อมหรสศพมากมายหมอลำซิ่งคอนเสิร์ตสวนสนุกชุดใหญ่การบวานสินค้าราคาถูกจากโรงงาน 1-9 ตุลาคม2557นี้เที่ยวงานประเพณีหลายเรือไฟและงานกาชาติจังหวัดนครพนมประจำปี2557ไปเหลลนนนนนครพพมกบออออง่่ยออยาายใาใ้้ะสว ครับคุณผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังรายการบ้านเมืองหน้าอยู่นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนาคารพนมในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมิลเฮิร์ส์นะครับรายการที่นําเสนอข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในพื้นที่ของจังหวัดนาคารพนมครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนาคารพนมท่านผู้ว่าอดิศักดิ์เทพอาจแล้วก็ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดครับท่านรองคุณปนภันเทาทุกท่านรองสมชายวิทย์ดำรงแล้วก็ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมนะครับในช่วงที่2จากนี้ไปนะครับท่านผู้ฟังก็จะได้รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬานักเรียน3ประเทศ12จังหวัดแขวงนะครับกับทางด้านาท่านรองผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต22ครับท่านรองสมชัยกุมาวันนะครับแล้วก็อีกท่านหนึงครับท่านชัยชานอ่อนคํา ในการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานะครับทั้งสองท่านก็อยู่ในห้องส่งกับเราสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับเชิญครับท่านครับสวัสดีครับผมสมชัยวัววันรองผอสพมเขตทอนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะขอกล่าบเรียนเกี่ยวเรื่องการแข่งกีฬานักเรียน3ประเทศ12จังหวัดนะครับปี57ซึ่งจะมีการแข่งขันที่โรงยิมโรงเรียนพิยาหมาลัย และก็โลจิเลเซียมสนามกีฬากลางจังหวัดนครพนมนะครับซึ่งกีฬาที่ทําการแข่งขันก็จะมีการแข่งขัน อ, อยู่5ประเภทครับก็คือกีฬา v o l l e y b บ l l badminton mm hmm. เปตองเทเบิลเทนนิสและก็ดันไม้ครับครับผมเอ่อสืบเนื่องจากกีฬานี้นะฮะเราเริ่มเริ่มการมาก่อนแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับเป็นกีฬา3ประเทศ6จังหวัดเดิมทีเดียวมี6จังหวัดนะฮะจะ ม, จววมีจังหวัดนครพนมจังหวัด มุกดาหารของราชอาณาจักรไทยเรานะครับและก็มีจังหวัดสวรค์ในเขตแขวงสวรรค์เขตแล้วแขวงคําม่วนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและก็จังหวัดกวางบิงและก็จังหวัดฮาตินสาธารณรัฐทั้งคนนิยมเวียดนามนะครับอันนี้เมื่อข่าวก่อนนะครับตอนน่อดีก็มีการสืบเนื่องว่าดังจากเราดรําเนินการมาแล้วก็หลายๆประเทศก็ทั้ง3ประเทศนั้นเห็นว่าเราน่าจะมีการเชื่อมต่อเพื่อที่จะ อนุนรักษ์วัฒนธรรมและการกีฬาการศึกษาของเด็กนักเรียนนะครับเราก็ได้มีการจัดกีฬา3ประเทศ12จังหวัดขึ้นอีกนะฮะตอนนี้ก็จะมีจังหวัดที่เข้าเพิ่มเข้ามาอย่างของเวียดนามก็จะมีจังหวัด nghệ an เข้ามาเป็นจังหวัดที่สามของลาวก็จะมีจังหวัดบริคําไซนะครับซึ่งอยู่ตรงข้ามกับจังหวัดบึงการแล้วก็ของประเทศไทยเราก็จะมีจังหวัดเลยจังหวัดหนองคายจังหวัดบึงการจังหวัดสกลนคร เพิ่มเข้ามารวมทั้งหมดเป็น12จังหวัดครับท่านครับเอาสำหรับนักกีฬานะครับที่มาทําการแข่งวันนี้นะครับก็จะเป็นนักกีฬาที่อยู่ระดับมาธยมศึกษานะครับก็เป็นมัธยมสมบูรณ์นะของประเทศลาวใช่ครับส่วนของประเทศเวียดนามนะครับก็เป็นมัธยมเหมือนกันนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับการเปิดปิดเทอมนี่ก็จะแตกต่างจากประเทศไทยนะเขาจะเปิดวันที่3กันยายนที่ผ่านมา แต่ว่าของเราเนี่ยเปิดเป็นที่16พฤษภาคมครับแต่ว่าเราก็เรียนรู้ในกลุ่มอาเซียนด้วยกันเนี่ยก็การเปิดปิดเทอมก็จะมีผลต่อการจัดการแข่งกีฬาในครั้งนี้ด้วยครับและการจัดการแข่งกีฬาในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการพัฒนานะครับในการที่จะสัมพันธ์กับอาประเทศเวียดนามและก็ประเทศลาวดังที่ท่านผ อ, อชัยชนันผ อ, อกลุ่มส่งเสริม การจักระสาได้เรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่าเราก็ขยายเพิ่มมากขึ้นซึ่งในปีที่แล้วครับเราได้รับงบประมาณจากท่านเลขาสบธ ท, ท่านอภิชาติจิรวุฒนะครับก็ให้งบเรามาแล้วก็จะมีท่านรองสุชาติชัยศาสตรนะครับที่มาให้เป็นรองสพสํานักกิจกา ร, รานักเรียนที่บสบธนะครั บ, รบแล้วก็ท่านผ อ, อสํานักท่านแสงไทยมีสุนทรนะครับก็เมื่อวานได้ให้เกียรติมาทั้งวันนี้ก็ด้วยนะครับท่านครับ และสำคัญนี้ครับท่านกมนรอดคลายครับท่านเลขาธิการสบทครับ <ฮะ S 2> ท่านก็ได้ให้การส่งเสริมสนับสนุนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่ประเทศไทยจะก้าวสู่อาเซียนในปี58ด้วยนะครับครับก็หลังที่มา้เราก็จะมีรถไปรับนักกีฬาทั้ง3ประเทศเนี่นะฮะเราจะไปรับที่สะพานมิตรภาพแห่งที่3สําหรับจังหวัดบริคัมไซจังหวัดขมว่นนะครับแล้วก็ เอ่อทางประเทศเวียดนามทั้งกวางบิงทั้งหาตินนะครับเราจะไปรับที่สะพานแห่งที่สามที่นครพนมส่วนเอ่อสวรรคเขตนะครับเราก็มีรถไปรับที่แขวงสวรรคเขตนะครับที่จังหวัดมุกดาหารเลยนะครับท่านครับจะสังเกตว่าความสัมพันธ์ระหว่าง3ามประเทศนี่แหละครับทั้งเอ่อเวียดนามนะครับซึ่งในจังหวัดพนมเนี่ยมันจะตรงกับจังหวัดหาติงกวางบินและก็นืออนซึ่งเหนือขึ้นไปหน่อยครับ ทางเราปีนี้เหมือนท่านพอชัยชาญพูดว่าเราเพิ่มที่เมืองบริขมไสฮะตรงข้ามกับบึงการจังหวัดขออภัยครับเมืองปากสันนะบริขมไสเนี่ยตรงข้ามกับบึงการครับและก็คำม่วนเนี่ยตรงข้ามกับนครปนมและก็สวัสเขตครับก็ตรงกับบุกดาหารและพอมาครับท่านเจ้าเมืองมุกดาหานครับท่านอดิศักดิเทพอาธรัชการจังหวัดนครปนมครับก็ให้ เกียรติเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับในการเปิดกีฬา3ประเทศ12จังหวัดในครั้งนี้ที่โรงยิมโรงเรียนพิยามหาลาชัยครั บ, รบก็ต้องขอบคุณท่านผู้ว่าการจังหวัดแล้วก็ทุกจังหวัดนะครับที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยเฉพาะาด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่งนะฮะได้กรุณางดเว้นภาษีค่าธรรมเนียมทั้งรถทั้งนักกีฬานะฮะทั้งหมดที่เข้ามาทั้งหมดทั้งบวงนี่ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทุกฝ่ายเป็นอย่างดียิ่งเลยนะครับผม ท่านรักษาการผ อ, อสปมครับท่านปริญญาทหารเสนานะครับท่านเขาบอกได้กราบขอพระคุณหน่วยงานราชการนะครับทั้งตำรวจสาสุขนะครับและก็โรงเรียนที่ยงกันเปิดในครั้งนี้ครับท่านผ อ, อคมสินปศิมรศักดิ์จามเรียมาราชะไลนะครับซึ่งได้เตรียมนักกีฬานะครับและก็กองเชียร์ไปร่วมพิธีเปิดอย่างสมเกียจยิ่งครับมีการรำบริเวณพิธีเปิดและก็เดินสวนสนามผ่านหน้าท่านผู้ราการจังหวัดจังหวัดนครพนมท่านอศักป์เทพอาจ ผู้แทนนะครับจากสามจังหวัดของประเทศลาวนะครับสวรรคเขตคําม้วนและก็บริขมใส่แล้วก็เวียดนามครับท่านก็ให้เกียรติมาเป็นกรรมการร่วมพิธีเปิดในวันวานนี้ครับที่สนามโรงเรียนปิยะมหาราชัยและอีกกรงหนึ่งนะครับที่เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ครับมีการเตรียมรับเป็นอย่างดีก็คือนนักบุญวิคคมนะครับก็คือท่านพออนันต์สุวนรณหงนะครับก็ให้ทีมงานเตรียมพร้อมนะครับและสําคัญ โรงเรียนนักเรียนที่มาท่านก็ให้การต้อนรับที่โรงเรียนนครลุมิยาคมนะครับมีการนํานักเรียนครับไปดูพิพันธ์สัตว์น้ําครับที่หนองญาตนินครบนมซึ่งเด็กๆ เ, เขาตื่นเต้นมากนะครับและสําคัญก็คือไปดูพิพันธ์ลุงโฮจิมินที่บ้านนาจอกจังหวัดนครพนมเลยครับครับหลังจากที่ไปเที่ยวหรือไปดูงานต่างๆแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันแล้วนะครับทางโรงเรียนนครบนรีมิยาคมก็ยังรับรองอาหารเที่ยงให้นะครับทั้งทีมนักกีฬาทั้งโค้ชทั้งหมดนะฮะ ก็ก้ขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อวานก็มีพิธีเปิดกันตอนเช้านะครก็มีการแข่งขันรอบคัดเลือกส่วนวันนี้นะครับก็จะมีการชิงชนะเลิศนะครับในภาคเช้านี่ก็จะมีการชิงชนะเลิศกีฬาดาันไม้นะฮะที่ลงยิม1นึ่งนะลงลงยิม2ด้านหลังลงยิมใหญ่นะครับส่วนกีฬาอื่นนั้นภาคเช้าจะเป็นการยังเป็นรอบตัดเชือกกันอยู่นะครับภาคบ่ายก็จะมีการรอบชิงชนะเลิศคท่านทั้งหมดสำหรับที่โลูเลเบียมหาลาชาัยนะครับก็จะมีทั้งกีฬา ปิงปองและก็อยากให้ไปดูดันไม้ครับที่ท่านพ่ออชิชานพูดเนี่ยเป็นกีฬาที่ทางเพื่อนบ้านของเราก็คือทั้งเราและก็เวียดนามครับมีการแข่งขันไปกันดึงอยู่ในวงกลมนะครับซึ่งเป็นกีฬาที่แปลกก็ข อ, อประชามพันธ์ถึงท่านผู้ชมที่สนใจครับกระนาไปให้กาลังใจแก่แกีฬาทั้งอสามประเทศด้วยครับส่วนวันนี้รอบชิงชนะเลิศนั้นก็จะมีที่สนามกีฬากลางครับทั้งกีฬาเปตองนะฮะกีฬาเปตองกีฬาวอลเลย์บอลหญิงนะฮะและก็ กีฬาแบดมินตันนั้นจะไปแข่งที่ไหนครับไปแข่งที่สนามศิทรทัหลัง้นส่งจังหวัดนครพนมซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นรอบชิงเลิศทั้งหมดนะครับก็ขอประชาพันธให้ทราบตัวละกันและสําคัญอย่างยิ่งครับวันนี้เราได้มาฟังได้มาพูดประชาพันธ์ก็คือขอกราบขอบพระคุณสถานบูรณาเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมที่ได้ให้เกียรติเราเลยครับได้มาประชาพันธ์ครับท่านหัวน้ครับครับผมขอบพระคุณครับท่านครับก็ต้องขอบคุณตั้งหน่วยงานต่างๆนะครับโดยเฉพาะสถานนิยม ประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยจังหวัดนครมนุษราอีกแห่งหนึ่งนะครับที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอนุเคราะห์ทั้งการออกกระจายเสียงทั้งเข้าร่วมประชุมทั้งประสานงานไปยังชุมชนต่างๆนะครับผมก็ได้รับความร่วมมือวันนี้นะครหลังจากนี้เราก็จะมีจังหวัดต่างๆที่จะทยอยกลับหลังจากตอนเย็นนี้นะครที่แข่งกีฬาเสร็จแต่ก็ยังมีจังหวัดกวางบิง จังหวัดฮาตินและก็จังหวัดแขว่งบริคอมไซนะครับของประเทศลาวขออยู่อีก1คืนครับเพื่อ ท, ที่จะได้ไปเที่ยวในไเรือไฟของนะคปรปฐมเราด้วยเพราะได้มาแล้วก็ขออยู่เราก็โอเคครับประสานทางโรงแรมให้ที่พักต่ออีก1คืนนะครับอย่างนั้นก็ขอความร่วมมือว่าถ้าเห็นเด็กนักเรียนหรือโค้ดนักกีฬาต่างๆที่จะไปเที่ยวจากต่างจังหวัดนะครับจากต่างประเทศนะครับข อ, อดูแลของเด็กเหล่านี้เพื่อเป็นชื่อเสียงของประเทศไทยเราด้วยนะครับผม สำหรับกีฬาวอลเลย์บอลนะครับตอนนี้มันดังมากที่เกาหลีใต้เนี่ยท่านวหนนาชายชานครับวัดนี้เมื่อวานนะครับผมไปไปดูสวรระเขตครับนักตบลูกยางสาวครับของสวรระเขตครับตบกระบึงการเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากนะครับก็ฝากประยมพันธ์ไปยังท่านผู้สนใจด้วยนะครับและก็ กีฬาต่างๆเนี่ยยังมีอีกเยอะแยะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นนะครับก็คือว่านักเรียนที่มาจากเวียดนามหรือลาวนั้นหนึ่งจะต้องเก่งเรื่องกีฬารู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักอภัยและสําคัญคือหนูๆที่มาครับต้องริมเก่งด้วยนะครับครับผมก็อย่างที่ท่านรองสมชัยเมื่อวานท่านได้บอกว่าครับเด็กนักเรียนเหล่านี้นะครับก็จะเป็นอนาคตของชาติและก็มีความเชื่อมสัมพันธ์ในอินโดจีนของเราในอาเซียนซึ่งจะเปิดเข้าสู่ อาเซียนเต็มรูปแบบในปี58นะครับอันนี้ก็คงจะมีการเชื่อมสัมพันธ์ในปีต่อไปก็คงมีกีฬาคขั้งที่3ในโอกาสต่อไปอีกนะเชื่อไครับท่านครับผมครับเราก็ถือว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันแล้วครับรอบชิงชนะเลิศ น, นะครับต้องขอประจําพันอาเชินชวนพ่อพี่น้องชาวนักข้านมและใกล้เคียงครับมาให้กำลังใจแก่นักกีฬาทั้ง3ประเทศ12จังหวัดนะครับ ก็ค ง, งเราก็มีรายการขณะนี้นะครับท่านครับขอขอบคุณ <c oughs> ครับทางสถานีกระจายเสียงแห่งประเทศทไทยนครพนมครับที่ให้เวลาแก่บวกเราขอขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็ต้องขอบคุณทั้ง2ท่านนะครับคุณผู้ฟังก็ได้รับทราบเนื้อหาและก็เรื่องราวที่น่าสนใจครับทั้งจากเรื่องของการดำเมินงานของศูนย์น้ำบงทำจังหวัดนครพนมการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมนะครับแล้วก็การแข่งขันกีฬานักเรียน3ประเทศ 12จังหวัดไปแล้วนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ดีมีประโยชน์แล้วก็เห็นถึงแนวทางกิจกรรมต่างๆครับที่จะทําให้จังหวัดนครพนมนั้นเป็นจังหวัดที่พร้อมสําหรับการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็นําไปสู่การพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนมนะครับกับรายการบ้านเมืองน้าอยู่ในวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมท่านรองคุณพมรททุกแล้วก็ทางด้านคุณสมชัยอุบมะวันนะครับ รองผู้อำนวยการสํานัก ง, งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต22แล้วก็ทางด้านคุณชัยชาญอ่อนคําผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาครับที่ได้มาร่วมรายการวันนี้ครับขอบคุณท่านทุกท่าที่ติดตามรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดนะครับพฤหัสดีหน้าพบกันใหม่ครับเวลาเดิม9นาฬิกาถึง10นาฬิกาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับรพลตํารวจเอกเผ่าศรียานนท์อดีตอธิบดีกรมตํารวจโดย